คือการปฏิบัตินะมันก็มีเป็นขั้นๆไปเหมือนกันขั้นแรกเลยตนะ้องหัดรู้สึกตัวให้เป็นแล้วคนรู้สึกตัวไม่เป็นนะมันเดินปัญญาไม่ได้แล้วรู้สึกตัวไม่เป็นก็หลงไปถ้าไม่หลงไปก็นั่งเพ่งไปทั้งวันอย่างคนที่ส่วนใหญ่ที่เขาภาวนากันก็เอาแต่นั่งเพ่งกันไปที่ไหนก็เจอแต่นักเพ่ง เพ่งแล้วกายก็นิ่งใจก็นิ่งก็ได้แค่นั้นแหละกี่ปีมก็อยู่แค่นั้นแหะเพ่งมาวันนี้สงบนะอีกหน่อยก็ฟุง้งฟุ้งว่าไปทําความสงบใหม่ไปเพ่งอีกก็สงบกลับไปกลับมาไม่มีอะไรขึ้นมาได้แค่นั้นต้องมารู้สึกตัวให้เป็นไม่ใช่เผลอไปไม่ใช่เพ่งเอาไว้เผลอไปเนี่ยหย่อนไปเพ่งเอาไว้เนี่ยตึงเกินไปเผลอเนี่ยตามใจกิเลส กิเลดลากไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยเฉพาะลากทางใจลากไปคิดลืมตัวเองใช้ไม่ได้เพ่งเอาไว้นะเพ่งออกข้างนอกก็ได้เพ่งพระเพ่งเทียนเพ่งลูกแก้วเพ่งใบไม้เพ่งน้ำเพ่งออกนอกก็ได้เพ่งร่างกายก็ได้เช่นเพ่งลมหายใจเพ่งท้องผ่องยุบ หรือเพ่งอิริยาบทสี่ยืนอยู่ก็เพ่งอยู่ทั้งตัวนั่งอยู่ก็เพ่งทั้งตัวนอนอยู่ก็เพ่งทั้งตัวเดินก็เพ่งตัวแข็งแข็งใจแข็งแข็งตัวแข็งแข็งหรือเพ่งทางใจก็ได้น้อมจิตให้นิง่งรักษาจิตให้นิ่งอยู่ในรมันเดียวอย่างเดียวเลยนิ่งไม่ให้จิตคิดนึกปรุงแต่งบังคับจิตให้นิง่งสงบอ น, นั้นก็คือเพง่งถ้าเผลอไปเนี่ยไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ ถ้าเพลงไว้เนี่ยกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์การเจริญปัญญานั้นต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานทําไมเราต้องมาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเพื่อเราจะได้ถอดถอนความยึดถือในกายในใจเราเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา เห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกวันหนึ่งมันก็ไม่ยึดถือร่างกายเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถึงวันหนึ่งมันก็ไม่ยึดถือจิตใจไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายพอจิตไม่ยึดในรูปในนามจีก็หลุดพ้นจากรูปนามก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปเนี่ยจะเห็นความจริงได้ต้องเห็นใจรักใจรักของรูปนามถ้าไม่เห็นใจรักไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยเพราะไม่เบื่อ ถ้เห็นตามความเป็นจริงหเห็นไตรลักษณ์ก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพระเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพรหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพลล้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วจิตที่ต้องทําทําเสร็จแล้วจิททตจจใหม่ไม่ต้องทำนะไม่มีอะไรต้องทํำอีกเนี่ยมจะไปสู่จุดนี้ได้ต้องเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้ งั้นอย่างบางที่บางคนเขสอนกันนะไปเพ่งเดินแนละเพงเนะเงนะ่งอยู่ที่เท้านะเท้ากระดูกระดิกนะจิตนิ่งอยู่ที่เท้าเลยนะไม่เห็นใตรลักกนะ <could. S 1> ็ได้แต่ความสงบเฉยๆไปดูท้องนะเพ่งอยู่ที่ท้องไปดูลมหายใจเพ่งอยู่กับลมหายใจจิตปิกเกาะอยู่กับลมหายใจจิตปิกเกาะที่ท้องที่เท้าอะไรอย่างนี้ จิตไม่ตั้งมั่นในจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเนี่ไม่ใช่จิตที่ตั้งมั่นนะเป็นจิตที่ไหลไปเพ่งไปเพ่งไปโฟกัสไปคอนเซนเทรตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วลืมตัวเองไปใจรักจะแสดงไม่ได้งั้นเราจะต้องไม่ผิดสองอย่างอันหนึ่งเผลอไปเผลอไปก็ลืมกายลืมใจอันที่สองเพ่งไว้บังคับกายบังคับใจ ก็ส่วนใหญ่เพ่งก็คือบังคับใจนั่นแหละให้ไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวบังคับมันก็ได้แต่ความสุขความสงบได้สมถะกรรมฐานงั้นสิ่งที่ผิดนะมีสองอันเราค่อยๆสังเกตตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่ผิดสองอย่างเนี้ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาผู้เบิกบานขึ้นมาครูบาอจารย์แต่ก่อนสอนพุโทโธพุโทโธนะบางคนที่ไม่ไม่รู้จักพุโทโธพุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ได้เรื่อง พุทโธจริงๆแปลว่าผู้รู้พุทโธจริงๆแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นพุทโธเราต้องรู้ทันจิตและจิตจะค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตที่เป็นผู้รู้นั้นมันถอนตัวออกอยางโลกของความคิดได้มันไม่หลงแล้วมันก็ไม่ได้ไปเพ่งไว้งั้นตรงรู้เนี่ยเป็นกลาง เผลอไปกับเพ่งเอาไว้เป็นความสุดต่งสองข้างงั้นจุดแรกนะเราจะต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ต้องรู้ตัวขึ้นมาให้ได้ฝึกไปเรื่อยจนจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตหลุดออกจากโลกของความคิดสามารถเห็นกายเห็นใจมันทํางานทำความเป็นจริงได้งั้นจุดแรกที่พวกเราต้องทําให้ได้นะต้องตื่นก็คือให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ใช่ผู้เผลอไม่ใช่ผู้เพ่งผู้เผลอใช้ไม่ได้ลืมกายลืมใจผู้เพ่งใช้ไม่ได้บังคับกายบังคับใจผู้เผลอลืมกายลืมใจที่ไปของเราก็คือทุคติผู้เพ่งบังคับกายบังคับใจไว้ที่ไปของเราในอนาคตคือสุขติแต่ไม่ไปนิพพานงันการที่เราคอยบังคับกายบังคับใจเรื่อยไปไม่ตกนรกหรอกดี แต่มันหยุดอยู่แค่ดีเท่านั้นเองไม่สามารถไปถึงนิพพานได้งั้นเราอย่าไปสุดโต่งสองฝั่งถ้ายัางสุดโต่สองฝั่งไม่ไปนิพพานครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรโอคาว่าพ่วงน้ําก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักและเราไม่เพียรเทวดาฟังแล้วงง ไม่พักอยู่เนี่ยฟังเข้าใจแต่ไม่เพียรเนี่ยไม่เข้าใจก็ถามท่านอีกว่าไม่พักไม่เพียรเป็นยังไงท่านบอกถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรนะเราพ้นจากอกะข้ามห่วงน้ำได้ด้วยวิธีนี้ทำไมจมลงไม่ดีจมลงไปทุคติฟูขึ้นลอยขึ้นไปสุคติไม่ได้ไปนิพพานคาว่าไม่พัก ก็คือไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไม่ลงไปทางกรรมสู่ขาลิการุโยคเผลอไปนั่นแหละคําว่าไม่เพี่ยนของท่านก็คือไม่ได้ไปเพ่งกายเพ่งใจเป็นอัตตากรมาฏฐานุโยกนะั้นเราต้องเดินทางสายกลางให้เป็นตัวที่แตกหักเลยว่าเราจะภาวนาได้มักได้ผลหรือไม่นะก็อยู่ตรงที่ว่าจิตของเราเดินเข้าสู่จุดที่เป็นกลางจริงหรือเปล่านะ กางด้วยทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่กลางด้วยการบังคับจิตเงั้นวิธีการที่เราจะรู้จิตเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานื่อทีหลวงพ่อบอกตื่นแล้วตื่นแล้วบางคนเข้าใจผิดนะเมื่อก่อนหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วนั้นไปหลือกันว่าคนนี้ได้พระโสดาบันแค่ตื่นนะแค่เพิ่งจุดสตาร์ทที่จะเดินปัญญายังไม่ทันเดินปัญญาเลยมันจะได้โสดาบันได้ยังไงคนละเรื่องกันเลยนะ คนในโลกไม่ตื่นคนในโลกมันหลับคนในโลกมันฝันมันหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาพวกเรารู้สึกไหมเราคิดทั้งวันความคิดกับความฝันมันนันเดียวกันนั่นแหละฝันฝันคิดคิดไปเรื่อยๆเวลาฝันไปคิดไปมันก็ลืมกายลืมใจมันลืมกายลืมใจมันก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ก็แค่นี้เองงั้นต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้ วิธีการทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปใครถนัดหายใจก็าหายใจไปใครถนดดัดดูท้องพองยุบก็ดนะูท้องผ่องยุบไปทํากรรมาฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตนะถ้าไม่คอยรู้ทันจิตไม่เรียกว่าจิตตะศิขาบทเรียนของพระพุทธเจ้าสามบทนะสะสิลสิกขาจิตตะศิขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาเป็นการเตรียมความพร้อมจัดระเบียบ กายวาจาชิตศิกขาเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตให้พร้อมกับการเจริญปัญญาเปนการจัดระเบียบจิตใจก็คือการฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองแม้เราต้องมาเรียนเรื่องจิตก่อนถึงจะไปเดินปัญญาได้ถ้าไม่เรียนเรื่องจิตก่อนจะไปเดินปัญญาเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญามันไปไม่รอดหรอกมันก็กลายไปเปเพ่งรูปเพ่งนามเพราะไม่สามารถรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงได้ งั้นเราจะมาฝึกจิตของเรานะหาพุโทโธไปหาหายใจไปหา ด, ดูท้องพ่องยุบไปอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะหาเครื่องอยู่ให้จิตสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีเครื่องอยู่อะไรอยู่ๆจะไปดูมันดูยากจิตมันว่องไวมันหนีเร็วแล้วหนีทีหนึ่งถ้าไม่มีบ้านให้จิตอยู่จิตจะหนีนานหลงนานนะแล้วามาพุโทโธมาหายใจมาดูท้องพองยุบนะจะขยับมือทาจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะ <mister ius> อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งหรือจะอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้บริกรรมเอานะให้มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เพื่อจะรู้ทันจิตตัวนี้ตัวสำคัญไม่ใช่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เพื่อให้จิตสงบแต่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เพื่อจะรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตตะศิขาไปมีเครื่องอยู่ให้จิตสงบไม่ได้เรียนเรื่องจิตไม่ใช่จิตตสิกขาจริง ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันหรือจิตไปเพ่งจิตนิ่งๆก็รู้ทันเวลาเรารู้ลมหายใจถ้าคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปแต่รู้ลมหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจรู้พุทโธก็เพื่อรู้ทันจิตไม่ใช่ให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธ หรือท้องฟองยุบแลก็เพื่อรู้ทันจิตไม่ใช่ให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้านะเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่จิตไปอยู่ที่เท้าไม่ใช่จิตหลงไปเพ่งงั้นการที่เราคอยหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีบ้านให้จิตอยู่เรารู้ทันจิตเรื่อยๆมันจะเป็นการซ้อมรู้เวลาจิตหลงไปจิตหลงไปคิดกับจิตหลงไปเพ่งจิตหลงมีสองอนหลงไปคิดกับหลงไปเพ่ง ก็เผลอกับเพ่งนั่นเองจิตเพ่งก็ถือว่าหลงเหมือนกันแต่หลงแบบผู้ดีหน่อยจิตเผลอไปก็หลงแบบผู้ร้ายหลวงพ่อมีหลานคนหนึ่งนะมันเล็กๆแล้วมันบอกว่าเนี่ยมันเห็นแล้วละ่ะจิตเผลอกับจิตเพ่งเนะี่ยจิตเพ่งเนี่ยเป็นจิตหลงแบบมีปัญญาใช้คําอย่างนี้นะหลงแบบฉลาด หลงแบบคนฉลาดแต่ก็หลงมันเห็นแล้วว่าอย่างนี้ยังหลงอยู่งั้นเรามาคอยรู้ทันจิตที่หลงปล่อยพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจิตอยู่รู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพ่องยุบนะจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งเท้ารู้ทัน หรือเดินจงกลมแล้วรู้ร่างกายทั้งร่างกายอยู่นะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ทันอีกจิตเผลอก็รู้จิตเพ่งก็รูนะ้ฝึกซ้อมตัวนี้ให้มากเลยนะเป็นพื้นฐานที่สำคัญยังต้องซ้อมนะของฟรีไม่มีคนในโลกนะมันฝันมาตลอดนะมันเกิดมาได้ก็เพราะว่ามันหลงดังนนจิตของเราที่มาผ่ากันมาเกิดนี้ มันคุ้นเคยกับความหลงมันคุ้นเคยกับความรู้สึกตัวจิตไม่คุ้นกับความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีแต่เป็นผู้คิดผู้ตื่นผู้ปรุงผู้แต่งผู้ปรุงผู้แต่งก็เช่นแต่งการเพยงการจ้องเอาไว้ก็ได้แต่งเรื่องไร้สาระทางโลกก็ได้เป็นความปรุงแต่งทั้งฝ่ายชั่วความปรุงแต่งทั้งฝ่ายดีเนจิตจะลงได้ความปรุงแต่งจิตไม่คุ้นเคยที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องช่วยมันต้องซ้อมมัน หลวงพ่อแต่เด็กก็หัดหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรนะี้ฝึกอยู่ทีอแรกจิตออกนอกไม่รู้ทันจิตจิตหนีไปเที่ยวข้างนอกไปดูสวรรค์ดูอะไรงั้นไปจริงหรือเท็จก็ไม่รู้หรอกหาสาระแก่นสารไม่ได้ไม่ลดละกิเลสเลยต่อมาเห็นว่าจิตไปอย่างนี้ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรนะพยายามไม่ให้ไปพยายามรู้สึกพยายามรู้สึก หายใจพอจะเคลิ้มขาดสติก็หายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งให้รู้สึกตัวอยู่ด้วยก็ฝึกรู้สึกตัวนะแต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นเพราะงั้นได้ความรู้สึกตัวมายังไม่ได้ขึ้นมีปั ส, สนาหรอกยังแต่ได้เครื่องมือมาเท่านั้นเองงั้นพวกเราไปซ้อมให้ได้เครื่องมือตัวนี้ให้ชํานาญจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่รู้ทันฝึกให้มากในส่วนเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมา เมื่อเราได้จิตผู้รู้เนี่ยเราได้ต้นทางที่จะเดินปัญญาล้หลวงพ่อเตียนสอนดีนะหลวงพ่อเตียนบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่ห้ามจิตคิดหลังๆบางทีสอนกันเคลื่อนไปจากที่หลวงพ่อเตียนสอนด้วยซ้ำไปขยับมือแล้วไปเพ่งใส่มือที่จริงท่านเขยา่าขยับมือนะั้นท่านบอกว่าท่าเขยา่าธาตุรู้คือปลูกความรู้สึกตัวต่างหาไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่ง ขยับไปแล้วรู้สึกรู้สึกจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งใส่มือรู้ทันหนีไปคิดอะไรหนีไปคิดว่าท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนบางทีก็คิดไปเรื่องอื่นเลยพวกที่ขยับชํานาญแล้วนะหนีไปคิดเรื่องอื่นงนั้นจิตเวลาเราฝึกกรรมาฐานนะให้มันมีเครื่องอยู่สักอันหนึ่งแล้วมันเผลอไปก็รู้ทันมันไปเพ่งอยู่ก็รู้ทันฝึกเรื่อยตัวรู้มันจะเด่นนึ้นมาพอได้ตัวรู้แล้วถัดจากนั้นมาเดินปัญญาบางคนมีวาสนาเก่า เคยจเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆแล้วทันทีที่ตัวรู้เกิดขึ้นนะขันก็แยกเลยเห็นเลยร่างกายกับจิตโคล้านกันความสุขความทุกข์กับจิตนี่โคล้านกันความปรุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลกับจิตเนี่ยโคล้านกันเห็นอย่างนี้เลยคนะซึ่งเคยมีบา ร, รมีเก่าในทางเดินปัญญามาก่อนแต่ถ้ามันไม่มีทำยังไงต้องช่วยมันอีกวิธีช่วยมันนะก็คือหัดแยกธาตุแยกขัน แยกไปร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตต้องหัดแยกนั่งอยู่หรือเดินอยู่ก็ค่อยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันยืนอิริยาบถ น, นอนเว้นไว้ก่อนนะไม่ชํานาญถ้าไปนอนดูแปบ๊บเดียวถ้าจิตก็วิเวกจิตรวมรวมเข้ากับโมหะนะจิตหลงไปเลยหลับ งั้นยืนอยู่ก็รู้สึกนะเห็นร่างกายมันยืนจิตเป็นคนดูนั่งอยู่ก็รู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูเดินอยู่ก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูเึ่งให้มีจิตเป็นคนดูเรื่อหรือมีความสุขเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นก็เห็นอีกความสุขเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้อีก ความทุกขเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะมีสองอย่างเกิดร่วมกันก็คือจิตซึ่งเป็นผู้รู้กับอารมณ์คาว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสั์เฉพาะเป็นเทคนิค c a l เท r มของพระพุทธเจ้านะคำว่าอารมณ์ไม่ใช่อิมูชันอารมณ์หมายถึงออบเจกติฟหมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นมันจะมีผู้รู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้มีออบเจกฟกับซับเจฟ มีสองตัวเกิดร่วมกันเสมอไม่เกิดตัวเดียวหรอกเราพยายามแยกสองตัวนี้ออกจากกันร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตซึ่งเป็นคนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นเป็นคนละส่วนกับร่างกายค่อยๆหัดอย่างนี้นั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็เห็นเองความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายมันนั่งมาก่อนความปวดความเมื่อยมันแอบมาทีหลังไม่งั้นไปโคลนกันความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายหรอกแล้วความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอมันปวดก็อย่าเพิ่งขยับนั่งดูไปเรื่อยหัดแจกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนีที่จะบอดทนไว้ก่อนอยากได้ของดีเบื้องต้นทนไว้หน่อย พอนั่งไปนานมันปวดมากนะใจมันเริ่มทุรนทุรายใจมันเริ่มกระสับกระส่ายเริ่มกังวล น, นั่งนานๆจะไปนำมาพาดไหมนั่งนานๆถ้าจะไม่ดีอะไรเงี้ยเปลี่ยนอิริยาบถซะเถิดหลวงพ่อประโมทบอกให้ทางสายกลางนั่งนานไปทรมานเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกนี่กิเลสหลอกทั้งนั้นเลยจิตมันดิ้นรนนะเนี่ยความฟุ้งซ่านของจิตมันเกิด พอมันเจ็บปวดมากๆนั้นจิตมันฟุ้งซ่านเราค่อยดูลงไปความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่ความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันอยู่ที่ร่างกายความฟุ้งซ่านมันอยู่ที่ใจเราเพราะงั้นความเจ็บปวดกับความฟุ้งซ่านเป็นคนละขันกันโคละอนกันความฟุ้งซ่านไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตจะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าต้องซ้อมนะต้องซ้อมฝึกของเราไปเรื่อยๆ มาเข้าคอร์สมีเวลาก็ซ้อมไปหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีไปแล้วรู้จิตไปเพเง่งเรารู้ก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาคนไหนได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็มาซ้อมต่อมาซ้อมแยกธาตุแยกขันร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิต ร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายกับจิตก็อยู่แยกกันต่างคนต่างแยกกันออกไปนี่เป็นการหัดแยกขันนะแยกขันออกเป็นส่วนส่วนรูปขันก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาขันอยู่ส่วนหนึ่งสังขารขันอยู่ส่วนหนึ่งวิญญาณขันอยู่ส่วนหนึ่งไม่หลวงพ่อไม่พูดถึงสัญญาขันสัญญาอย่าเพิ่งไปยุ่งสัญญาของเราตอนนี้เป็นสัญญาวิปัสสน พวกเราตอนนี้สัญญาของเราเพี้ยนอยู่ตลอดเวลางั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันตอนนี้สัญญาเพี้ยนยังไงมันเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตใจของเราน่ยเกิดดับตลอดเวลาเราไปเห็นว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งคนนี้กับตอนเด็กๆก็คนเดิมคนนี้กับคนวันพรุ่งนี้นะก็ยังเป็นคนเดิมเราไปเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของทนอยู่ไม่ได้ว่าทนอยู่ได้เห็นของบังคับไม่ได้ว่าบังคับได้ รู้สึกไม่ร่างกายเนี่ยเป็นของเราเราสั่งได้รู้สึกอย่างนี้สั่งได้ไม่ตลอดหรอกเพราะนสัญญาเรามันยังเพี้ยนอยู่ตอนนี้ปล่อยไปก่อนพามันดูของจริงในรูปในเวทนาในสังขารในจิตพามันดูของจริงตัวนี้ให้มากนะพอจิตมันฉลาดขึ้นมาต่อไปสัญญามันก็ถูกสัญญาตอนนี้วิปลาสต่อไปไม่วิปลาสมันจะยอมรับความจริง ออขันทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหายวิปลาสละขันทั้งหลายเป็นทุกข์หายวิปลาสละขันทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราหายวิปลาสละงั้นสัญญาแขวนมันไว้ก่อนบางคนไปใจร้อนนะพยายามไปดัดแปลงสัญญาเคยมีนะคนหนึ่งเห็นโต๊ะเรียกเก้าอีนะ้เห็นสีเหลืองเรียกสีแดงสุดท้ายสติแตกเลยไม่รู้จัากสมมุติบรญญัตของโลกนะใช้ไม่ได้นะอย่างนั้นเพี้ยนอย่าไปทาอย่างนั้น เราดูลงไปในสติปัฏฐานเห็นไหมท่านสอนเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมแต่ในธรรมนี่จะค่อยมีตัวสัญญาอยู่ด้วยงัย้นตอนนี้เว้นไ้ก่อนพยายามแยกไปร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ส่วนความโลภความโกรธความหลงจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่ส่วนจิต จิตก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาบางทีก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งบางทีจิตก็วิ่งไปดูบางทีจิตก็วิ่งไปฟังบางทีจิตก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมาทางอายตนะทั้ง6ท่านถึงเรียกว่าขันขันแปลว่ากล่องจิตมีดวงเดียวทำไมมีกล่องเพราะจิตเนี่ยเกิดดับสารพัที่นะเกิดดับได้6แห่งเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นั่นเลยเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมัมีเยอะแยะเดี๋ยวไปรู้ที่ตาเดี๋ยวไปรู้ที่หูนะสลับไปเรื่อยๆก็เลยรวมเป็นขันขันหนึ่งขึ้นมาเป็นวิญญาณขันความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้ารับรู้อยู่ในธรรมธาตุอันเดียวนะก็ไม่เป็นขันหรอกก็เป็นธรรมไปเนะี่ยค่อยฝึกนะหัดแยกขันไปส่วนแยกธาตุน่ะยาก ที่หลวงพ่อพูดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยพูดเผื่อๆบางคนแยกธาตุได้ส่วนใหญ่ดูจิตดูใจมาแยกธาตุไม่ออกอแยกธาตุแยกยังไงแยกร่างกายนี่ออกปอีกเป็นธาตุดินน้ําไฟลมอากาศสธาตุแยกออกไปได้ห้าธาตุนะดินน้ําไฟลมอากาศสธาตุในผมหนึ่งเส้นมีดินน้ําไฟลมอากาศสธาตุในขนหนึ่งเส้นมีดินน้ําไฟลมอากาศสธาตุมีอยู่อย่างนี้ตลอดเลยดูยาก ถ้าจิตไม่ทรงฌานตัวยากเพราะ้พวกเราเอาแค่แยกขันธ์ก็บุญนักหนานแล้วนะแยกขันธ์ได้ก็ไปมากผลนิพพานได้ถ้าคนไหนถนัดกายจริงๆก็นั่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะมีพลังมากแล้วออกจากสมาธิมาดูกายค่อยดูไปเลยอย่างในลมหายใจเนี่ยมีธาตุสี่นะไม่ใช่ไม่มีรู้สึกไหมลองหายใจใส่กระทบมือ รู้สึกไหมมีมวลนี่เป็นตัวธาตุดินของมันนะแต่ธาตุดินมันน้อยมวลมันนิ่มๆไม่แข็งมีธาตุน้ํำไหมในลมหายใจมีแต่เบาบางไม่ใช่ไอน้ําในลมหายใจนะไอ้น้ําในลมหายใจก็าต้องไปแยกเป็นธาตุสีได้อีกธาตุน้ําเป็นตัวแรงดึงดูดแรงดึงดูดที่ทําให้รูปเนื้อมันรวมกลุ่มกันขึ้นมาในลมหายใจก็มีแรงดึงดูดแต่มีน้อย งั้ลมหายใจเราฟุ้งกระจายอย่างรวดเร็วเลยดูยากเห็นไหมมีธาตุไฟไหมในลมหายใจหายใจแล้วมีความร้อนไหมมีน้ําแข็งมีธาตุไฟไหมมีอุณหภูมิไหมมีเห็นไหมในอวกาศมีความร้อนไหมอุณหภูมิลบ500เซลเซียสมีความร้อนไหมมีมีลบ500เซลเซียส เ้ยธาตุดินน้ำไฟลมนะมีอยู่ตลอดนะในธาตุทั้งหลายนะในตัวรูปรูปแทๆ้ๆเป็นธาตุดินน้ำไฟลมดูยากนะหรือเวลาเราเดินจงกรมเวลาที่เท้าเราเหยียบพื้นน่องมันจะแข็งขึ้นมาตรงที่น่องมันแข็งขึ้นมาเนี่ยธาตุดินมันเพิ่มขึ้นมันแข็งตอนที่เรายกเท้าขึ้นเนี่ยธาตุดินมันลดลงคําว่าดินน้ำไฟลมไม่ใช่ดินน้ำไฟลมทางเคมีนะ ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์เฉพาะเหมือนกันท่า ด, ดินคือสภาพที่แข่นแข็งอย่างเวลาเดินฝ่าเท้าเหยียบพื้นนั้นน่องแข็งขึ้นท่า ด, ดินเพิ่มขึ้นพอยกเท้าขึ้นท่า ด, ดินลดลงตอนที่ก้าวเท้าไปเนี่ยท่าลมเคลื่อนขึ้นมากขึ้นท่าลมผลักทําให้เกิดการเคลื่อนไหวตอนหยุดนิ่งนี่ท่าลมลดลงดูยากนะดูยากงั้นเอาแค่แยกแยก แยกขันก็พอแล้วเนาะแยกขันดูขันมันทํางานไปดูรูปให้เห็นมันทั้งตัวแหละ ไ, ไม่ต้องไปแยกมันมากยุง่งเห็นร่างกายทั้งตัวแหละ ไ, ไม่ใช่ตัวเราดูเวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราดูสังขารี่เห็นสังขารไม่ใช่เราดูจิตใจก็เห็นมันเกิดดับอยู่ทางทะวันทั้งหนั่เป็นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเกิดดับ ดูไปดูไปนะพอแยกขันได้ก็จะเห็นไม่มีตัวเราในแต่ละขันมีแต่สภาวธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะไม่มีตัวเราที่แท้จริงในขันทั้งหลายไปฝึกเอานะงั้นคนไหนยังรู้ตัวไม่ได้ก็ฝึกรู้สึกตัวให้ได้คนไหนรู้สึกตัวได้แล้วฝึกแยกขันพอแยกขันได้แล้วก็มาเรียนเรื่องวิปัสสนาได้ แยกขันได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะต้องเห็นไตร ล, ลักษณ์ของแต่ละขันถึงจะเป็นวิปัสสนาพอหลวงพ่อบอกแล้วต้องเห็นไตร ล, ลักษ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่ใช่เห็นขันแล้วเป็นวิปัสสนานะยังไม่ถึงการที่เราเห็นขันเราเพ่งอยู่ที่ขันเป็นสมถะนะงั้นกว่าจะขึ้นวิปัสสนาไม่ใช่ง่ายนะบางคนไม่เข้าใจแล้ไปเพ่งขันอยู่ด้วยเพ่งท้องดูท้องฟังโยนเพ่งอยู่ที่ท้องบอกทำวิปัสสนาไม่เป็นหรอก ต้องเรียนอีกเวลาที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วแยกขันได้แล้วเวลาดูรูปดูแบบหนึ่งนะเวลาดูนมามธรรมดูอีกแบบหนึง่งนะดูรูปเป็นปัจจุบันขณนะดูนมามธรรมเป็นปัจจุบันสันตตินะคุณละานปัจจุบันขณะขณะสดสดร้อนๆนี่เลยปัจจุบันสันตินี่สืบเนื่องกับปัจจุบันนะอย่างดูจิตเนี่ยจิตหลงเรารู้ว่าจิตหลงตรงที่รู้ว่าจิตหลงนั้นจิตไม่หลงแล้ว ตัวที่หลงมันดับไปสดสร้อนร้อนเราเกิดตัวรู้ว่าหลงติดติดกันขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่ามีปัจจุบันสันตติไม่เหมือนกันจะดูรูปนี้ดูปัจจุบันเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เรานี่ต้องค่อยๆเรียนไปนะสนุกนะเรียนธรรมะแต่ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนไปนี่หมดเลยครับ